บทอันฟาติฮาบทอันฟาติฮาเป็นบทมัคคิยาคือถูกประธานลงมาที่นครมักกะก่อนที่นบีมุฮัมมัดสลลลฯอะลัยวะสลัมจะอพยพไปอยู่ที่นครมาดีนามีเจ็ดโอกาสบทอันฟาติฮามีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่นฟาติฮากุลกิตาคือเป็นบทแรกของคัมภีร์อัลกุรอาน และเป็นบทที่ถูกประทานลงมาครบทั้งบทเป็นอันดับแรกอุมมุลกิตาหรืออุมมุลกุรอานคือเป็นแม่บทของคัมภีร์อังกุรอานเป็นแม่บทที่รวบรวมเอาความมุ่งหมายทั้งหมดของคัมภีร์อังกุรอานเอาไว้เช่นการสรรเสริญอัลลอฮ์การให้เอกภาพแก่พระองค์การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรง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 อันอาซาตเป็นรากฐานเพราะบทนี้มีความสําคัญมากเป็นรากฐานของคำภีร์อัลกุรอานด้วยความเป็นมาของบทนี้ก็คือขณะที่ท่านดบีมอมัสลลลลฮฺอะไลวะสลัมอยู่ตามลําพังนั้นได้มียิบรออีนมาเรียกรังว่าอูมุฮัมมัดจงกล่าวบิสมิลลาฮิรรห็มานีรหี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 ที่มัมชาฟีมีความเห็นว่าบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim นั้นเป็นองค์การที่หนึ่งดังนั้นจึงจําเป็นต้องอ่านดังในการละหมาดที่อ่านดังและอ่านค่อยในละหมาดที่อ่านค่อยส่วนทัศนะที่นีน้ําหนักถือว่าบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ไม่ได้เป็นองค์การหนึ่งของบทอัลฟาติยาแต่เป็นองค์การเอกเทศ ส่วนองค์การที่เจ็ก็คือไยริมักบูบิอะไลฮิมวัละบลีนตาเสมอิการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮพระผู้วิบาลแห่งสากลโลกผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบทอแทนเฉพาะพระองค์เท่า น, นั้นที่พวกเราขอรบพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่วยเหลื อ, อ, อลขอพระองค์ทรงแนะนำ เรสู่ทางอั น, นาอทางของบรรดาผู้ที่พระงได้ทรงโปรดประทานแก่พวกเขาไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกลิวและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิด